أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا للظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيط ولك الحمد ب ع د, ول د رضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا إله الأولين و ا ل آ خ ر ي ن وأشهد أن ن ب ي ن ا محمد وبده ورسوله أرسله الله بالهدى بدين الحق ليظهره على ي ن كله ولو كلها الكافرون أما ب السلام ع ل ك م ورحمة الله و ب ك ا ت ه ครับน้องที่รักยินครับเรากลับมาทาการพูดคุยมาทาการศึกษาคาพูดของพระวสุบฮาห์นะฮุวาตาอัลลกันอีกครั้งนึงนะครับในช่วงของการอธิบายอัลกุรอานสุร่าอัลอาลล สุรละอัลอา ล, ลครับเราอยู่ในช่วงท้ายๆของสุรละแล้วนะครับนั่นก็คือเราอยู่ในช่วงอายุที่17บเวลอคิรัตุคอยรู้ปัวอบกอและโลกหน้านั้นดีแล้วก็อยู่อย่างถาวรซึ่งเราได้คุยกันไปในตอนที่แล้วนะครับว่าการแปลอัลกุรอานเนี่ยเป็นสิ่งที่เกินความสามารถของมนุษยชาตินะครับเพราะถ้าเกิดการที่เราจะแปลเราให้ถ่ายทอดให้เหมือนกับภาษาอาหรับเนี่ยคือแคออ่อัลกุรอานะให้แต่งอะไรให้เหมือนกับอัลกุรอานเนี่ย คนอาหรับก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นการจะถ่ายทอดจากภาษาอาหรับซึ่งมีความเ็ดลึกซึ้งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งนะครับที่ว่ามีความลึกซึ้งที่แตกต่างกันมันก็ยิ่งเป็นเรื่องที่มันยากขึ้นไปอีกเลยนะครับผมที่ว่ามนุษย์นั้นจะทําได้เพราะนั้นก็เป็นไปไม่ได้ที่คใครจะแปลภาษาที่ตรงตัวได้เพราะนั้นวลัยคือตุ้ยรูเนี่ยโลกหน้านั้นดีกว่าในทุกมิติในทุกด้านในทุกๆแบบใน ทั้งหมดเลยซึ่งเราได้คุยกันไปในครั้งที่แล้วก็คือว่าถ้าเปรียบเทียบกับอายุของเราเนี่ยก็เหมือนกับว่าในช่วงเด็กเนี่ยเราเห็นว่าอะไรมันอะไรมันเจ๋งอะไรมันแจ๋แวเราจะรู้สึกว่าอะไรมันยอดเยี่ยมไปหมดเลยแต่พอเราเริ่มอายุมากขึ้นพอเร า, า จ, จะสามสิบสี่สิบปีแล้วอาจจะหัวเราะ ย, ยอน ด, ด้วยความอ็นดูนะครับหัวเราะอินดูเราในอดีตว่าโอ้แค่นี้ก็คิดว่ามันดีแล้วเหรอของดียังมีอีกเยอะยังไม่รู้อะไร นี่คือข้อแท้จริงของพวกเราทุกคนตอนนี้ครับคือเรายังไม่รู้อะไรครับเรายังไม่รู้ว่าอะไรที่มันเรียกว่าดีจริงๆอะไรที่มันเรียกว่าความสุขอะไรที่มันเรียกว่าความอร่อยอะไรที่มันเรียกว่าความสบายพวกเรายังไม่รู้กันจริงๆพี่น้องผมก็ยังไม่รู้พี่น้องก็ยังไม่รู้เราจะรู้ก็ต่อเมื่อเรียกเข้าสวรรค์ไปแล้วด้วยความไม่ตาของตัวลอสุบะฮันุฮตบดาละทีนี้มาประเด็นสําคัญครับที่เราพูดทิ้งไว้ในตอนท้ายนะครับนั่นก็คือว่าเรารู้ ว่าดุนยาคือห้องสอบเรารู้ว่าโลกหน้าคือสิ่งที่เจ๋งกว่าเรารู้ว่าโลกหน้าคือสิ่งที่ดีสุดยอดเรารู้หมดแต่ประเด็นก็คือบัรตุซีรูนัลฮายาตัดดุนยาแต่เรานั้นก็ยึดติดลุ่มหลงกับโลกดุนยาทําไมมุสลิมเราถึงพลาดจากอาคิร้อไปทําไมมุสลิมถึงพลาดจากอาคิร้อไปมุสลิมไปจำนวนไม่น้อยทํำไมพฤติกรรมห ล, หลายๆอย่างเราพลาดจากอาคิร้อไป ประเด็นนะครับมันกลับมาตรงที่ว่าเราเชื่อแค่ไหนว่ามีโลกหน้าผมไม่ได้ใช้คำว่าเชื่อไหมนะครับว่ามีโลกหน้าเพราะมุสลิมมาทุกคนเชื่ออยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าถามผ ม, ผมก็บอกผมเชื่อว่ามีโลกหน้าถ้าผมถามพี่น้องที่รักที่กําลังรับชมรับฟังอยู่พวกเราทุกคนพูดหเหมือนกันครับว่าพวกเราเชื่อว่ามีโลกหน้าแต่ปัญหาก็คือเชื่อแค่ไหนเราเชื่อมากพอที่จะให้โลกหน้าเป็นเป้เปาหมายหลักของเราแล้วให้ดุนยา เป็นเป้าหมายรองหรือเปล่านี่คือเหตุผลที่ต้องถามว่าเราเชื่อแค่ไหนว่ามีโลกหน้าเชื่อแต่เพียงว่าโอเคมันมีโลคหน้าแต่ตอนเนี้ยฉันฉั น, ฉนอยู่โลกนี้ฉันต้องเอาตอนนี้ก่อนหรือว่าจะเชื่อจนถึงขั้นว่าทั้งหมดที่เราเห็นในดุญญนยาแหละมันก็เป็นแค่ทางผ่านมีความสุขมันก็แค่นั้นแหละมีความทุกข์มันก็แค่นั้นหรือมันก็จบ มีเรื่องให้ตัอ้งอดทนฉันก็ตัอ้งอดทนมีเรื่องเสียสละฉันพร้อมจะเสียสละเพราะฉันปักหมุดไว้แล้วว่าฉันไม่ได้มองจบความสำเร็จแค่ดุนยาแต่ความสำเ็จของฉันนั้นอยู่โลกหน้าที่บุรุษบอกกอ็อัฟฟัลมันเตซ ก, กาผู้ที่ประสบความสำเร็จแค่นั้นฉันปักหมุดของฉันอยู่โลกหน้าตอนนี้อยากจะถามพี่น้องว่าหมุดของเราอยู่ที่ไหนหมุดของพวกเราอะ่ะเราปักหมุดของพวกเราไว้ที่ไหนกัน เอาในภาคปฏิบัตินะครับไม่ต้องภาคทฤษฎีนะพะภาคทฤษฎีพูดเหมือนกันอะไรอย่างที่อย่างที่เราคุยกันเป็นประจำถ้าถามผมโอ้ทฤษฎีของผมนะก็คือเนี่ยเป้าหมายของผมคืออะไรคือเราผมอยากเข้าสวรรค์ชันวิทยาลัยชันสูงสุดผมสนใจโลกหน้าโลกหน้าคือสูงสุดแล้วของผมดุจยาไมนเป็นแค่ทาง่านอันนี้คือคำตอบพี่สีถามผมผมก็ตอบได้ถามพี่น้องเราก็ตอบได้แต่พอดูภาคปฏิบัติแล้วภาคปฏิบัติคุณเป็นยังไงแล้วภาคปฏิบัติเราเป็นอย่างไร เราปฏิบัติเหมือนกับว่าเราเลือกโลกหน้าหรือเราปฏิบัติเหมือนกับว่าเราเลือกโลกนี้วันนี้เราต้องมาคุยกันแล้วก็มานั่งตรวจสอบตัวของเราเองครับผมเพราะอะไรครับเพราะความมุ่งมั่นเนี่ยมันเป็นตัวแปรของทุกอย่างถูกไหมครับความมุ่งมั่นเนี่ยมันคือกุญแจของทุกสิ่งทุกอย่างพฤติกรรมเดียวกันถ้าเราไม่มีความมุ่งมั่นพอจะอุปรสรรคนิดนึงเราก็ไม่อยากทแลว แต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นอุปสรรคแค่ไหนมันก็ขวางเราไม่ได้พี่น้องเห็นด้วยไหมล่ะอย่างยกตัวอย่างถ้าเกิดเราขับรถแต่พี่น้องขับรถหรือพี่น้องเดินทางหรื อ, อยังไงก็ได้พี่น้องจะไปไหนสักที่เหยียบพี่น้องแล้วก็มันเป็นที่ที่เราไม่อยากไปเลยแล้วเราก็ไม่ไปก็ได้แต่ก็มันเหมือนกับมันโดนลากไปแล้วเราก็ไม่อยากไปแล้วเราก็พยายามหาเหตุผลให้ไม่ต้องไปอย่างเงี้ย แล้วถึงเวลาปุ๊บเปอลอ่ายางแตกถึงเวลามีปัญหาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พี่น้องจะเป็นยังไงครับแล้วก็คงจะบอกว่าโอเคกลับเถอะไม่เป็นไรถือว่ามันไม่ดีแล้วเอาละเลิกเถอะถูกไหมครับแล้วก็คงจะหยุดเพราะอะไรครับมันไม่ใช่ว่าที่ที่เราจะไปดีหรือไม่ดีแต่ว่าแรงผลักดันของเราเนะ่ยเราไม่มีแรงผลักดันให้ไปอย่งนี้ก็เลยพอมีอยู่ประศักดน้งอก็จบแค่นี้แล้วกันเอาวันนี้เหนื่อยแล้วยังไม่ต้องทำแล้วกันเดี๋ยววันหลังเคยทําเหมือนบางทีเราเข้าบ้านมาไอตรงนั้นก็ต้องทำตรงนี้ก็ต้องทาแต่ มันจะทําไปทำมาจะไม่ต้องนะมันก็ไม่เรศมันก็ไม่เห็นมีอะไรให้ย้องต้องอยากทําแต่ถ้ามีข่าวว่าแขกสําคัญที่เรารักมากจะมาเยี่ยมเราอย่างเงี้ยโอ้พี่น้องตรงไหนไม่เรียบร้อยนี่ต้องเคลียร์ให้ได้มันติดอะไรแค่ไหนฉันจะต้องทําให้ดีที่สุดถูกไหมครับเหมือนกับเดินทางที่เราบอกเมื่อกี้ถ้าเกิดเปลี่ยนเป้าหมายที่หนึ่งที่เราอยากไปคือเราอยากจะไปมากๆมันเป็นที่ที่เราอยากจะไปมาเป็นปีแล้วแล้วเราแล้ว ทุ่มเพื่อจะสละทุกอย่างแล้วเราลางานเราลาคนที่เราลากเราฝากนั่นฝากนี่คือพร้อมแล้วอ่ะแล้วถึงเวลายางแตกถามว่าพี่น้องจะหยุดแค่นั้นไหมล่ะจะกลับบ้านไหมเอายางแตกเอาไปไปแล้วกันกลับบ้านไม่พี่น้องถ้าเรามีแรงผักดันที่มากพอยางแตกข้ามเราไม่ได้หรอกเอายางแตกหรือเอาหาวิธีถ้าจําเป็นอา้าวขึ้รถถัว่วอ่ะหรือจาเป็นจะไปขึ้นเครื่องหรือทํำยังไงก็ได้คือฉันต้องไปให้ได้ เพ้นประเด็นมันอยู่ที่ไหนครับประเด็นมันตอนเนี้ยมันไม่ได้อยู่แค่ว่าเราเชื่อว่ามีโลกหน้าหรือไม่เชื่อมันไม่ใช่อยู่แค่นั้นแต่เราเชื่อมากพอที่มันจะสร้างแรงผลักดันให้เรานั้นทุ่มเทเพื่อโลกหน้าได้ไหมความเชื่อของเรามันมากพอที่เราจะมองดุนยาว่าเป็นเรื่องขี้ปะติวหรือเปล่า ความเชื่อของเราที่มีต่อโลกหน้าเนี่ยมันมากพอไหมที่จะทําให้เรานั้นมีความอดทนกับบททดสอบที่เราเจอถ้าเราเชื่อไม่มากพอนะพี่น้องเจออะไรเราก็ไม่อยากทนหรอกบางคนก็บอกใหฉันละหมาดดูอาไปทำไมเนี่ยไม่เห็นได้อะไรเนี่ยฉันสูญเสียฉันละหมาดไปฉันจะได้ของที่ฉันเสียไปคืนมาไหมมันก็ไม่ได้แล้วฉันจะละหมาดไปทําไมอันนี้คือเราไม่ได้เชื่อวันสิ้นโลกมากพอเหมือนกับเวลาเราโดนคนธทําโดนคนซอล็ตนะครับบางทีเราก็ พยายามหาทางออกที่มันผิดผิดบางทีเราจะไปทำร้ายเขาบางทีเราอาจจะเอาเขาไปนินทาซึ่งหนักกว่าที่เขาทำกับเราอันนี้เพราะอะไรครับเพราะเราเชื่อไม่มากพอว่ามีโลกแนาถ้าเราเชื่อมากพอ <c oughs> เราไม่ตัวเองไปเสี่ยงกับนรกหรอกถูกไหครับถ้าเราเชื่อมากพอเราไม่เอาตัวเองไปเสี่ยงกับนรกถ้าเราเชื่อมากพอเราจะมีความอดทนมากพอที่จะทน จนกว่าจะตายเพราะนั้นกลับมาที่คําถามเดิมครับพี่น้องที่รักครับเราพี่น้องตัวผมเราทั้งหมดเนี่ยเรามีความเชื่อแค่ไหนว่าโลกแน้่มีจริงเชื่อแค่ไหนเชื่อแค่ตามตำราเชื่อแค่เป็นงั้นแหละเชื่อแค่ถ้าฉันได้ดีฉันก็เชื่อหรือเชื่อไม่ว่าฉันจะได้สิ่งที่ดีหรือฉันจะได้รับสิ่งที่ฉันไม่ชอบฉัน ก็ปรารถนาโลกหน้าเราต้องตรวจสอบตัวเองแล้วเราต้องอัปเกรดตัวเองนะพี่น้องผมต้องอัปติดเกรด ต, กกรร ต, กรตัวเองพี่น้องทุกท่านพวกเราเราต้องอัปเกรดตัวเองพี่น้องเราต้องอัปเกรดตัวเองให้เราเชื่อมากพอให้มันเป็นแรงผลักดันที่มันมากพอที่จะทําให้เรากลัวเอาล้อในทุกสภาพไม่ว่าเราจะรักหรือเราจะไม่รักเจอสิ่งที่เรารักหรือเจอสิ่งที่เราไม่รักหรือเราจะเจอสิ่งที่เราเกลียดหรือสิ่งที่เราไม่เกลียด หรือเจอสิ่งที่เราต้งทนหรือสิ่งที่เราไม่ทนคนแต่ละคนไม่ใช่คนแต่ละคนคงต้องใช่ว่าคนทุกคนน่ยพี่น้องคนเราทุกคนเนี่ยมักจะถูกทดสอบในเรื่องที่เราไม่ชอบมากที่สุดมักจะเป็นแบบนั้นนี่คือบททดสอบของโพลัสบาโนตาเราไม่ชอบอะไรนั่นแหละเรามักจะถูกทดสอบเพราะดุนยาคือห้องสอบพี่น้องครับถ้าเกิดเรามาดูณนะประเด็นเนี่ยที่เรากําลังพูดคุยกันเนี่ยที่บอกว่าเราเชื่ออาเครอแช่ไหนเนี่ยว่ามัจริงเนี่ย ปะเด็นนี้พวกล้อกล่าวในกุรอานหลายที่นะครับผมพวกล้อสุบฮานตระกล่าวไว้ในอัลกุรอานหลายที่และท่านอบิมัสลิซามก็กล่าวในอกุรอานเช่นเดียวกันอย่างที่เรารู้การศรัทธาเรื่องวันสิ้นโลกไม่ใช่การศรัทธาแบบผิวเผินนะพี่น้องแต่การศรัทธาในวันสิ้นโลกถือว่าเป็นหนึ่งในหกเสาหลักสําคัญในการศึกในการศรัทธาของมุสลิมหนึ่งในหกเสาหลัก ขอการเป็นมุสลิมเราต้องมีการศรัทธาต่อวันสิ้นโลกด้วยถูกไหมครับแล้วศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วศรัทธาต่อคำพี่ศรัทธาต่อศาสนาทูตศรัทธาต่อมล า, ายแกศรัทธาต่อการกําหนดของอัลลอฮ์แล้วก็ศรัทธาต่อวันสิ้นโลกเป็นเสาหลักทำไมไม่ถึงเป็นเสาหลักล่ะพี่น้องแล้วเรามานั่งคิดดิทําไมมันเป็นเสาหลักประการแรกเพราะใครปฏิเสธไม่ใช่มุสลิม ประการที่สองก็คือเพราะเราเชื่อมั่นว่ามีโลกหน้าเราจึงอดทนในโลกนี้ได้ประเด็นนี้ก็สําคัญนะพี่น้องถ้าเราไม่รู้ว่ามีโลกหน้าถามว่าเราจะทนไปทําไมถูกไหมครับถ้าเราไม่รู้เลยว่าโลกหน้ามีเนี่ยถึงเวลาปุ๊บใครทาชั่วก็เราก็อยากทําชั่วกันทัทีเราอยากเอารัทธเอาเปรียบคนอื่นเราอยากจะทำความชั่วทั้งหมดถ้าเราคิดว่าความสุขมันมีแค่โลกตรงนี้แต่เพราะเราเชื่อมั่นว่ามีโลกหน้า ใจเราจึงสงบขึ้นฉันถูกทำร้ายฉันถูกสาดเหลิมใช่ไหมลูกนี้ฉันพยายามนะแต่ฉันทำได้แค่นี้ฉันเอาคืนไม่ได้ไม่เป็นไรทำดีละลูกหน้าพวกเราจะตอบแทนเองพวกเราทะสอบพวกเราจะตอบแทนเองใจสงบไหมใจสงบพอเราไม่สบายปุ๊บแทนที่เราจะตีโพยตีพายว่ายาอัลลอฮ์เนี่ยทำไมคนนั้นมันอายุเท่าฉันนั้นมันทําเหมือนฉันทำไมมันแข็งแรงทําไมมันไม่เป็นอะไรคนนี้มันเที่ยวตลอดไอ้นี่เห็นมันโพสประจำเลยเดี๋ยวก็เที่ยวนั่นเที่ยวนี่ทํำไมฉันไปไม่ได้ยาอัลลอฮ์ทำไมทาไม ถ้าเราเชื่อว่ามีโลกแน่เขาได้ไปเที่ยวเดออาร์ทามเลยละอ ล, ลัอยเขาให้ความปลดปลันแก่เขาให้เขาได้ไปเที่ยวหวังว่าอิมั่นเขาจะเพิ่มเพินมแก่การที่เขาไปเที่ยวฉันไม่ได้เที่ยวอาร์ทามเลยละฉันไม่โดนทดสอบในเรื่องการใช้ทรัพย์สินฉันมีเวลาทําสิ่งที่ฉันรักฉันมีเวลาอ่านหนังสือเหมือนกับเชฟอิมิตาญ่าเรนนวลลอนด์น้องรู้ไหมครับว่าช่วงตอนที่ท่านยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่เนี่ยก็มีช่วงปิดเทอมมันก็มีปิดเทอมกันหมดทุกที่ น, น, นะครับผมก็มีคนมาชวนท่านไปเที่ยว มีคนมาเชิญท่านไปเที่ยท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรเนี่ยฉันอยู่บ้านจะก่อ่านหนังสือดีกว่าถึงเวลาคนที่ไปเที่ยวกลับมาตามนิสัยคนเที่ยวครับก็ต้องเข้ามาคุยกันนิดหนึ่งใช่ไหมครับอาจจะไม่ได้ตั้งใจอวดตรงๆแต่ก็บอกเนี่ยฉันไปเที่ยวน่ะมีความสุข น, นายภาคไปแล้วนายภาคไปแล้วประโยคนี้ได้ยินบ่อยไม่ไปเนี่ยเสียใจไม่ได้กินเนี่ยเสียใจไม่ได้อะไรเนี่ยจะเสียใจประมาณนายภาคไปแล้วพี่น้องรู้ไหมครับอิมมิตรมียะรามิฮุนรอเนี่ยท่านเชคท่านเนี่ย ฉันบอกว่าไม่มีอะไรให้ฉันต้องเสียใจช่วงที่คุณไปเที่ยวเนี่ยฉันสามารถท่องหนังสือจบชุดที่ฉันอยากจะท่องได้แต่ลุงใครต้องเสียใจอ่ะพี่น้องเอาตอนเนี่ยตายมหมดแล้วถูกไหมคนเที่ยวก็ตายไปแล้วมั่นใจเพราะมันนานมาแล้วเนี่ยครับพี่น้องเช็คกิมตีมีไหมโรยมอวลด็อก็เสียชีวิตไปแล้วทั้งคู่ตายไปแล้วพี่น้องว่าตอนเนี่ยพอตายไปแล้วเนี่ยใครมีความสุขมากกว่ากัน คนที่ได้เที่ยวกับคนที่ได้ท่องตาําราไอ้ตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยการได้เที่ยวมีความสุขกว่าถูกไหมครับแต่พอตายไปปุ๊บเ อ, อมันฉันๆไม่ได้เที่ยวก็นด้จะดีถ้าเกิดฉันอยู่ท่องหนังสือกับเช็คกิ้งมนเตมยาก็ได้จะดีนี่คือดุนยานี่คือมนุษย์พี่น้องหลายครั้งเราจะมองเห็นว่าสิ่งที่มันเป็นความสุขสําหรับเราเนี่ยเราจะมองเห็นมันเป็นความสุขมากๆ ท, ท, ทั้งๆที่ที่จริงแล้วน่ยมันอาจจะไม่ใช่ความสุขก็ได้ เพราะฉะนั้นหลายๆคนที่เราอิจฉาในดุนยาเนี่ยหรือหลายๆคนที่เรามองแล้ว ร, รู้สึกเราอยากจะเหมือนเขาหรือเรารู้สึกว่าทําไมเขาได้ดีจังเลยเนี่ยถือเวลาพี่น้องลองคิดดูถ้าตายพี่น้องจะรู้สึกแบบนั้นอยู่ไหมถ้าเราคิดว่าเออถ้าตายฉันคงไม่คิดแบบนั้นก็ไม่ต้องไปอิจฉาเขาไม่ต้องไป อ, อะไรกับเขาแล้วสิแปลว่าแบบที่เราอยู่เนี่ยดีแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักคิดเรื่องโลกหน้าให้มากขึ้นแล้วเอาโลกหน้าเนี่ยเป็นเกณฑ์แล้วเราจะมีความสุขมากขึ้น อีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องถ้าพี่น้องอยากมีความสุขในดุนยามากขึ้นเนี่ยให้เอาโลกหน้าเป็นเกณฑ์เพราะว่าลอาร์เคโรตุคอยรูอัปกรณ์โลกหน้าดีไงแล้วก็อยู่ถาวรนี่เอาโลกหน้าเป็นเกณฑ์พี่น้องมาน้องคิดแมมต่สมมติสมมตินะสมมุติน้องๆถ้าเกิดว่ามีน้องนักศึกษาหรือนักเรียนหรือใครก็ตามรับชมอยู่สมมุติเราพาไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนเนี้ยสมมติว่าเพื่อนๆนัดไปสั น, สนไปเฮฮาปาร์ตี้ไปกินเหล้าไปอะไรกันงานอะไรก็ตามแต่เนี่ย บางที่เราอยากไปเนี่ยคือเห็นเขาสนุกแล้วก็อยากสนุกด้วยอย่างเงี้ยถ้าเราเอามาตรฐานดุนยามาตัดสินเราจะทุกข์แต่ถ้าเราเอามาตรฐานอาคิระมาตัดสินเราจะมีความสุขยังไงถ้าเกิดเรามาตรฐานดุนยามาการได้เที่ยวมันคือความสุขได้พักผ่อนได้คุยกับคนที่เราชอบพอ ถึงเราไม่ได้ดื่มสุราหรือบางคนดื่มสุราด้วยนะอูซูบิลามินดาลิกได้ดื่มเล่าได้กินอะไรมีความสุขเอาวัตถาฐานดุจยามานี่คือความสุขแต่ถ้ามากถานอาเครอ่ะล่ะถ้าเราตายพี่น้องเราคิดถ้าฉันตายฉันจะเศร้ากับมันไหมถ้าฉันตายปุ๊บเรามาคิดถ้าเราตายแล้วเรามาดูแล้วเราพบว่าเราไม่ได้ไปเที่ยวผักไม่ได้ไปเที่ยว อสถานที่ที่ไม่ดีอย่างเงี้ยที่อากวจรเราไม่ได้ไปกินเหล้าเนี่ยเออฉันน่าจะมีความสุขมากกว่านะงั้นเราก็ไม่ต้องทุกกับพี่น้องจบ ก, ก็ตัดไปเลยว่าโอเคฉันไม่ไปนะเพราะอะไรว่าคีรอดจะคอยรู้อับะกอเพราะฉันศรัทธาว่ามีโรคหน่างั้นตอนนี้พี่น้องกีรักครับผมขออนุ ญ, ญาตมอบแนวทางการตัดสินคุณค่าแบบมุสลิมสําหรับพวกเราที่หลงลืมไป เวลาจะตัดสินว่าอะไรดีอะไรไม่ดีตัดสินว่าพลาดอะไรหรือไม่พลาดอะไรเอาบรรทัดฐานของอาครคโรมาตัดสินอย่าเอามาแต่บรรทัดฐานของดุญยาใครก็ตามที่ทำอย่างนี้ได้เขาคือผู้ที่ศรัทธาในโลกหน้ามากพอที่มันจะส่งผลให้เขานั้นเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อล้ออย่างแท้จริงเพราะนะครับเราใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสิน นั่นแหละมันจะเป็นแรงผลักดันของเราและนั่นก็จะเป็นพฤติกรรมของเราเรามาดูในกุรานพี่น้องพวกเราเขาว่าว่าเลซัลเบรอันตวลูบูจูฮะคุมคีบะคีบะลาล์มัชริก والمغرب ولكن البرة من آمنا بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ในคุรานเยอะมากๆที่พวกเราจะพูดคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันซินโลพวกเรามักจะมาคู่กันพี่น้องในการศรัทธาทั้ง6เนี่ย บางอายะอา จ, จะพูดห้าอันบางอายะจะพูดสามอายะจะพูด2แต่ถ้าสังเกตดูถ้าพูดถึงศรัทธาต่อเนื่องจะพูดอะไรขึ้นมาคู่นพี่น้องมักจะเป็นวันสิ้นโลกในายาห์เนี่ยในสุรบักราเขาบอกไงครับความดีเนี่ยไม่ใช่ว่าการที่คุณจะหันไปทางไหนนะเพราะตอนแรกนะครับมุสลิมละหมาดเนี่ยหันไปทางกิบลาศเดียวกับชาวยัมฮูดีชาวยูซึ่งก็คือหันไปทางมัสยิดอักซอ ซึ่งชาญยูก็บอกเออมุสลิมเป็นคนดีมันหันมาละหมาดตรงนี้แต่ว่าถึงเราจะเกลียดมันก็ตามแต่มันหันมาทางเนี้ยโอเคดีละซึ่งซอฮับช่วงรแรกแรบางท่านก็รู้สึกว่าโอเคมันดีนี่คือเราหันมาตั้งแต่เด็กแล้วไงตั้งแต่ทาความได้แล้วเพราะถึงเวลาพวกลอสซาบลาให้เปลี่ยนการหันกิปะละจากมสัสยิดอักซอมาที่กาบาคนละทิศเลยตรงข้ามกันเลยยูก็มาด่าว่ามากะเนกกระแหนพวก ต่างๆพวกศัตรูสังเ็มารแย่แกะน่เนี่ยหันไปทิศดีอยู่แล้วเนี่ยทำไมหันไปทางกาบาเนี่ยมันจะดีกว่าตรงไหนเนี่ยเนีาหันมาตั้งแต่สมัยนบีอิบรอฮิมแล้วหันมาทางมัสยิดอัลกซอเนี่ยสนาบดีบาท่านก็ยังอาจจะรู้สึกเหมือนกับตะขิตตะขวงใจยังยังยึดติดกับความรู้สึกว่ามันต้องหันไปทางนี้สิฟัวร์ล็อกก็บอกเลยครับว่าหัวใจของความดีมันไม่ใช่ขึ้นอยู่ว่าคุณจะหันไปทางไหนถูกไหมครับมันไม่เกี่ยวว่าจะหันไปทางมัสยิดอักซอรแล้วมันก็ไม่เกี่ยยววด้าาไปทงกบ ปลายเดนมันอยู่ตรงที่ว่าคุณศรัทธาต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมถ้าคุณศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต่อให้พระอหันบอกให้หันไปทางเหนือเราก็หันไปทางเหนือถูกไหมครับถ้าเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต่อให้พรอบอกให้หันไปทางใต้หันไปทางตะวันออกหันไปทางตะวันตกเรามีปัญหาเลยพอเราจะบอกหันไปทมัสยิดอักซอเราพร้อมหันไปทางมัสยิดอัลกซอพอเราจะบอกว่าหันไปทางกาบาเราพร้อมหันไปทางกาบาพอเราจะบอกว่าหันไปทางมัสยิดนาบอวีสมุทรเราก็พร้อม เพราะอะไรครับเพราะประเด็นมันไม่ใช่อยู่ที่ทิศแบบแต่ประเด็นมันอยู่ที่คําสั่งใช้ของพลัสสุภาหนวดตาละพลัสจึงกล่าวเพราะว่าความดีเนี่ยมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะหันไปทางตะวันออกหรือหันไปทางตะวันตกแต่ความดีคือการที่คุณนั้นศรัทธาต่ออัลละฮฺศรัทธามากพอที่คุณพร้อมจะเปลี่ยนทุกอย่างเพื่อพระองค์ปกติหันไปทางนี้ใช่ไหมตอนแรกเนี่ยพลัสบอกให้หันไปทางนี้ใช่ไหมแตอนนี้พลัสบอกให้เปลี่ยนแล้วเราก็พร้อมจะเปลี่ยน พร้อมจะหันไปในอีกทิดหนึ่งโดยที่ไม่ต้องบอกว่าทำไมเนี่ยฉันยังชอบอันเดิมอันเดิมมันดีกว่าอะไรก็ตามแต่บอกผู้ฉันทํามาตั้งนานแล้วทําไมฉันต้องเปลี่ยนไม่เวลากินนารเบียราแต่ว่าความดีที่แท้จริงนะคือผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันซินโลถูกนํามาคู่กันศรัทธาต่ออัลลอฮ์เชื่อมั่นว่ามีวันซิโลกเชื่อมั่นมากพอที่เราพร้อมจะเปลี่ยนทุกอย่างเพื่อผู้ลารับสุบานอุวาตาละ แยก็พูดต่อครับและศรัทธาต่อมล า, ายกะและคมภีและบรรดา น, นาบีรอยายนี้พูดถึงการศรัทธา5อย่างซึ่งถ้าหราจะว่าไปมันก็มี6อย่างเพราะการเปลี่ยนทิศตะวันออกไปตนตกก็คือการศรัทธาในเรื่องกระอกระดถูกไหครับผมเพราะนั้นอายกุา น, นี้ก็พูดได้กัว่าพูดถึงการศรัทธาทั้งศรัทธาต่อเนาะศรัทธาต่อมล า, ายกะศรัทธาต่อคำภีศรัทธาต่อนบีศรัทธาต่อันสิ้นโลกแล้วก็มนเรื่องของกดอกด ก, ก็ครบ6ข้อในอยายนี้เช่เนเดียวกัน แต่ประเด็นก็คือบางทีเนี่ยเราไปยึดติด ก, กับพฤติกรรมจนลืมเป้าหมายหลักว่าจริงๆแล้วเรายึดเพื่ออลัลลอฮ์อย่าบางคนเนี่ยใช้ละหมาดอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเนี่ยพอมารู้ว่าที่ตนเองละหมาดผิดที่จริงพวกเราเราบอกให้ละหมาดอีกแบบหนึง่งแต่บางคนบบบใช้ละหมาดอย่างนี้มาตั้งนานแล้วฉันจะละหมาดแบบนี้ตกลงจากที่จะยึดการละหมาดเพื่ออลัลลอฮ์กับกลายเป็นยึดการละหมาดแล้วลืมอลัลลอฮ์เยอะนะพี่น้อง เยอะหลายครั้งที่เราบอกว่าไม่ฉันเคยทินแบบนี้ฉันอยากจะทําแบบนี้ฉันชอบแบบนี้พเพราะว่าบอกไอที่ชอบน่ยมันไม่ใช่ความดีมันไม่เกี่ยวแต่มันต้องอยู่ว่าชอบไม่ชอบนั้นตรงตามที่พวกลสุภานสาได้กล่าวเอาไว้หรือเปล่าเช่นเดียวกันครับพี่น้องที่รักถ้าเรามาดูครับในสุรานิษัทว่าไม้ยักฟุตบินแ ล, ลฮิวว่ามาเลกิตีวัคตุบิรุสีวัลเยอมิลอาครฟักอดดัลลาดัลลาลัมไบด ในอันนี้พวเราบอกว่าใครก็ตามปไิเสียต่อหรอไปเสีต่อมอะไรกันไปเสีต่อคัมภี่ไปิเสีต่อศาสัทูตและวันสิ้นโลกแน่นอนเขาหลงผิดแบบสุดกู่แล้วเพราะไม่มีอะไรจะเป็นศีลธรรมที่จะมาค้าจุนเขาอีกแล้วเขาไม่มีกรอบเขาก็จะหลุดแล้วเขาก็จะไม่เจอความสงบในชีวิตไม่เจอเป้าหมายในชีวิตแล้วในวันอาเครอสิ่งที่รอเขาอยู่ก็มีแต่ความสยดสยองที่รออยู่ นสุอาซับครับอายะที่ส1บเอ็ดเพระเ า, าะก่าวว่าเกระแดในลกุมฟีร์สูลลลาฮิอุวสวาตุนฮัสซานตุนอายะนี้มีประเด็นมากมายพี่นอ้องผมแปลครึ่ง น, นึงก่อนแน่นอนในศาสนาทูตของพวกเจ้านั้นมีแบบอย่างที่ดีสําหรับพวกเจ้าแบบอย่างที่ดีสหรับพวกเราเรื่องการรักษาคําพูดเรื่องการเป็นผู้มีความอดทนเรื่องการที่เป็นคนที่มีความใจเย็นเรื่องการที่เป็นคนที่มีความเสียสละเมื่อแพ้ อบอ้อมอารีมีความรักมีความเมตตาให้กับผู้คนพอเราบอกเนี่ยในตัวศาสนาทูตคือท่านนบีมูฮัมมัดสุลตานสลามนำมีแบบอย่างที่ยิ่งามมากมายให้กับพวกเจ้าไม่ใช่แค่ความรู้นะพี่น้องที่ท่านนบีเป็นแบบอย่างให้กับเราเนี่ยอยากจะย้ํานะครับย้ําแล้วก็ย้ําแล้วก็ย้ําอีกนะครับผมว่าแบบอย่างที่ท่านนบีวะสลุลตานนำมาไม่ใช่มีแค่ความรู้แต่มีในเรื่องของอารคะละคือตัวตนศีลธรรม จริยธรรมความคิดพฤติกรรมทั้งหมดรวมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นอย่าเลือกปฏิบัติแค่อย่างหนึ่งอย่างใดบางคนบอกเนี่ยนบีพูดนบีทําแล้วไม่สนใจเรื่องอัคราเลยแบบอย่างที่นบีทำเลยถือว่าสอบตกในการเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เลยนะพี่น้องสอบตกเลยนะบางคนมารยราศาสตบางคนพูดคำหยาบแล้วก็บอกว่านี่แหละคือความจริงมันต้องพูดความจริงต้องรับให้ได้สิ แล้วมายาทนบีไปไหนแบบอย่างนาบีไปไหนเนี่ยโฟลอก่าเนี่ยต้นบีมีแบบอย่างที่ดีงามเนี่ยหายไปไห น, น, ไไหนอันนี้ก็ต้องระวังกลับมาในประเด็นนี้ต่อครับลก็กนลกุฟรอสุิลลาอสาตุฮนุนฮุลิมันกายรุลลอวามอาสำหรับใครละแบบอย่างนี้พวกเราเชื่อมั่นว่าแบบอย่างของต้นบีใช้ได้กับคนทั้งโลกถูกไหมครับ ความสะอาดเรื่องของความอดทนเรื่องของคุณธรรมใช้ได้กับคนทั้งโลกแต่ในอายาณี้พระลอสุภาวจราาบอกไว้ว่าท่านนบีมศลสันนั้นมีแบบอย่างที่งดงามสําหรับใครก็ตามที่หวังอัลลอฮ์และหวังสิง้โลกหวังต่ออัลลอฮ์หวังให้อัลลอฮ์เมตตาเขาหวังวันสิโลกหวังว่าเชื่อมั่นว่าเขาจะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วเขาอยากจะได้สวรางของพระองค์จะไปตามแนวทางใครไม่มีประโยชน์ ต้องเป็นแนวทางขอ ง, มมงท่านอบีมูฮัมหมัดสลองลอฮวาเลสลัมเท่านั้นเพราะปอลล์รับรองไว้ในนี้เท่านั้นท่านเดียวมุสลิมหลายคนขับลหลงไหลได้ปื่มกับมนุษย์บางทีกับคาฟเฟตด้วยซ้ำบางคนหลุนไหลก็บอกในีฉันลงไหลเจ้าเล่นนั่นปัจฉญาสุดยอดเนี่ฉันชอบเลยทั้งที่เพลงชีริสเนื้อหาชีริสทั้งนั้นที่มาจากเขาแต่ลหลงไหลได้ปื่มมนุษย์ วิเชลงหลายคนนั้น่งลงหลายคนคนนี้คนนี้เป็นคนดีแลือคนหนึ่งคนนั้นเสียสละคนนั้นคนนี้แล้วมูฮัมหมัดสุลตลานไปไหนบางคนบอกไอดอลฉันต้องคนนี้เลยต้องดาราคนนี้ต้องนักร้องคนนี้ต้องอันนั้นต้องอันนี้ต้องอันนี้ต้องนั้นแล้วมูฮัมหมัดสุลต่านอยู่ที่ไหนพวกเราบอกถ้าคุณอยากให้อัลลอฮ์รักถ้าคุณเชื่อว่าโลกแน่มีจริง โมมาสโ ร, รสลัมต้องเป็นแบบอย่างที่คุณประทับใจเป็นอันดับหนึ่งไม่ใช่มนุษย์คนอื่นตรวจสอบตเองนี่เลยครับว่าล้อบอกเอามาคู่กันแค่สองอันศรัทธาต่อละศรัทธาต่อวันสินโลใครก็ตามที่หวังสองอย่างนี้แล้วใครก็ตามที่ลำลึกถึงอัลลอฮ์มากๆนี่คือสองอย่างที่เขาต้องโฟกัสให้เป็นแรงผลักดันอยากแค่ล้อรัก แล้วก็เชื่อมันว่าโลกน้ามีจริงอยากได้การตอบแทนที่ดีงามอยากรอดพ้นจากการถูกลงโทษเพราะนั้นแบบอย่างของท่านนบีต้องเป็นเบอร์หนึ่งพี่น้องใครก็ตามมีรูปใครก็บุตรติดไว้เต็มบ้านแต่อ่านกุรานไม่เป็นเลยอันนี้แปลว่าไม่ใช่มีนบีเป็นแบบอยา่างใครก็ตามมีรูปใครก็ไม่รู้ที่ติดไว้ในบ้าน แต่ไม่เคยรู้เลยว่าท่านลบีทําอะไรบ้างฮะดีสของท่านลบีเป็นอย่างไรพฤติกรรมจริวัตรของท่านลบีเป็นยังไงสอบตกในสนาระของมุสลิมคุณไม่ได้เชื่อว่าล้อมีจริงคุณไม่ได้เชื่อว่าโลกหน้ามีจริงถ้าคุณเชื่อว่าโลกหน้ามีจริงมันต้องไม่มีรูปนี้ในบ้างของคุณระวังระวังตัวมุสลิมเราต้องระวังตัวให้มากแต่ว่าน้อยเดือกเกินที่เราจะแคร์เกี่ยวกับโลกหน้าน้อยน้อยน้อยน้อยแล้วก็น้อยมากๆครับซึ่ง ที่น่ากลัวน่าเสียใจมากไปกว่านั้นก็คือหลายครั้งที่มันเป็นตัวเราเองอ่ะพี่น้องหลายครั้งที่มันเป็นผมแล้วผมกลัวเหลือเกินว่าหลายครั้งที่มันจะเป็นตัวพี่น้องที่ผมรักขอพักช่วงนิดนึงนะครับขอทักทายพี่น้องหน่อยนะครับเนื้อหาหนักนิดนึงคุณสุรนิทเอ็เองสลามมาเช่นเดียวกันเช่นเดิมนะครับภูเก็ตชัดเจนทั้งบ้าเราเสียงพร้อมเดียง ารุสลมตุลลอฮ์วะบรักาตุฮ์มิลาบิเะมะตุสลิฮดครับผมจากุมุลล์คนวารุนครับผมวนี้สลามาเต็มเต็มเช่นเดิมจะากุมุลลูลครับผมพววนี้บอกว่ารบกวนฝากอาจารย์ดูอาให้ลักศิทุกคนเป็นชาวสวรชฟิวดัลสด้วยนะครับเออผมไม่ขอได้ไหมครับคือ ท, appear, ที่นี้นี้บอกคือขอให้ลูกศิษย์ทุกคนเป็นนะครับผมก็อยากเป็นนะครับขอเปลี่ยนไปนว่าขอให้พวกเราทุกคนนะครับได้เป็นชาวสวรรค์ชอนฟิดดาสนะครับผมคือขอโดยให้แค right kind of ่ลูกศิษย์แล้วอาจารย์ใช้ไปไหนใช่ไหมครับใช้ลงนรกแล้วมันก็ไม่ดีเนาะขอโดยอาจารย์เพื่อพระผู้งสรงทรงผู้สูงไม่แต่ผู้สูงยิ enfin, ่งใหญ่ผู้ทรงเกรงใจครับก็ขอดโดาให้เรานั้นเราเราไม่คู่ควรหรอกเราไม่คู่ควรกับสวรรค์ซักชั้นนะครับแต่ว่าไโด้วยความที่เราไม่คู่ควรเนี่ยแต่ว่าผู้ล้อเมตตาผู้ล้อรักไงเพราะนั่นก็ ขอให้พวกเราทุกคนนะครับได้เป็นชาวสวรรค์ชาวฟิฟดาลสูงสุดด้วยความเมตตาของว้าอยู่แค่กับท่านบีมัสลอสลมนะครับผมด้อันนี้จะเป็นจริงได้ต้องช่วยกันทาด้วยนะครับผมต้องช่วยกันับคุณนัฎดาสลามมาครับวยุณัามุตรละมาราการูตคุณปิศัก์บอกว่าสลามจากนาครสีชัดเจนอัลฮัมดิลละก็วัยุณัามุตรละมาราการทูครับคุณสวัสลามมาครบวยุณัามาุตรละมาราการทูครับคุณณติมาครับเช่นกันวายุณัามุตรละมาราการทูเช่นเดียวก คุณเฮสนีนะครับติดตามมาชาวรอครับผมอีด็นรับชมต่ออัลฮัมเดล๋ยนะครับผมทุณสบายก็ทําดี๋ยะอามนก็อามนกันทุกท่านก็บารัคัลลอฮุฟีฮุมครับผมพี่น้องเข้าไปเรียนที่อยากครูยังมีอยู่นะครับแต่เนื่องจากวันนี้วันศุกร์นะครับเราก็อยากให้พี่น้องได้เตรียมตัวกันท่านใดยังไม่ได้ทําอะไรที่ควรจะทำนะครับผมก็รีบๆไปทํานะครับผมชาวรอครับวันนี้เป็นวันที่ดีงาม ใครถ้าเป็นผู้ชายนะครับก็ทําตัวหอมหอมนะครับในวันนี้นะครับวันศุกร์สุนนะท่านอบีนั้นรักของหอมเรากรักของหอมเหมือนกับท่านอบีวัสละลอยส์รัม ถ, <Hyundai S 1> ถ้าเกิดท่านใดเป็นมุสลิมเป็นแม่บ้านนะครับก็ไล่พ่อบ้านให้มาสุาเหลิมนิดนึงนะครับผมเหรือว่าให้ทําก่อนอีอะไรก็ได้นะครับผมท่านใดบริจาคได้วันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีครับท่านใดอา่านกุราฎก็เป็นสิ่งที่ดีท่านใดจะละหมาดหรือจะทําอะไรที่มันเป็นอามันอิบะาดาที่ดีนะครับ ทำเยอะๆครับคุมแน่นอนไม่เสียใจแน่นอนอย่าลืมโฟกัสของเราชัดเจนว่าอาคิร์รอถูกไหมครับถ้าโฟกัสชัดเจนว่าอาคิเร์รอวันนี้เรามาพยายามทําอาคิเร์รอของเราให้เพิ่มขึ้นอีกหน่อยม า, มาเติมสเบียงของเราให้เพิ่มขึ้นอีกนิดหนึงนะครับแล้วก็อย่าลืมครับที่เราคุยกันในวันนี้ตั้งเกณฑ์ให้ชัดเจนตั้งเกณฑ์ให้ชัดเจนถ้าเราตัดสินอยู่บนพื้นฐานของดุลยามันจะมีความทุกข์ความเศร้ามากมายในการเป็นมุสลิมแต่ถ้าเราตัดสินบนพื้นฐานโดยเอาอาคิร์รอ ม, มาตัดสิน มีแต่สิ่งที่ดีงามรอคอยเขาอยู่เราอยู่ใครก็ตามกําลังทุกข์เรื่องดุนยาเอาประเด็นนี้ไปคิดใครก็ตามกําลังเศร้าเรื่องดุนยาเอาประเด็นนี้ไปคิดใครก็ตามกําลังเสียใจในเรื่องดุนยาเอาประเด็นนี้ไปคิดว่าความสุขความทุกข์ของเรานั้นใช้บรรทัศฐานดุนยาตัดสินหรือบรรทัศฐานของอาริยะตัดสินดังทีถ้าเราคิดดีๆพี่น้องหลายเรื่องที่เรากําลังทุกข์อยู่เนี่ยเราอาจจะยิ้มได้ ว, วอล l อ a h u alam ครับผม a ู u u kauli haza w a s a k u l ล l l a h i wa lakum วัน ل ี้ ل ل อ م ลิ م มุสลิมีน่ามิ่ ه คุลิมตะมาส ر กรู้อินูวะลกฟุรอาลฮิมสุบะฮันขลลามะฮ์ฮัมดิค่ะอาช د ัดอัลลอฮ์และนั่